บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสื่อต่อไปนัยะแข่งโสลดปัญหาหรือปัญหาของมนุษย์สิบกคนที่เรียกราวมาแล้วโดยลำดับนั้นในแง่ของการศึกษาและการปฏิบัติก็จะพบว่า ปัญหาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของสติปัฏฐานสี่หรืออริยสัจส์่จะเป็นการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาซึ่งท่านจัดเข้าในกลุ่มของทุกสัตว์ถมองจากสายของสติปัฏฐานก็คือเรื่องของกายเวทนาจิตของกายกับของเวทนา และในเรื่องที่เกี่ยวกับกุศลอกุศลซึ่งเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ประรบถึงลักษณะของกุศลในแง่มุมต่างๆบ้างเป็นเรื่องของจิตกับเรื่องของธรรมะแต่เป็นปริยายรุษไนยะแห่งธรรมะที่ทรงยกมาสแสดงในกรณีนั้นๆสำหรับปัญหาในด้านต่างๆนั้น บางครั้งก็อาจจะย้อนไปถึงเรื่องของอดีตบางครั้งก็ปรารถนาผลที่ตนจะได้จะมีจะเป็นในอนาคตบางครั้งก็เป็นเรื่องประรบถึงปัจจุบันซึ่งถ้าหากว่าได้สังเกตจากจุดนี้แล้วไปพิจารณาเทียบเคียงกับเรื่องบางเรื่องที่ได้ศึกษามาอาจจะมีความรู้สึกว่าขัดแย้งกันจุ เป็นทรงแสดงลักษณะของบุคคลที่แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ได้ชื่อว่าเป็นเวลาแห่งชีวิตที่เจริญว่าให้บุคคลปล่อยวางทั้งส่วนที่ทเป็นอดีตและส่วนที่เป็นอนาคตมากำหนดอยู่ที่ปัจจุบันให้มีปัญญาเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆั้นกับคำสอนที่ประรบการทั้งสามดังกล่าวแล้ว ดยแล้วคล้ายๆจะว่าแตกต่างกันหรือขัดแย้งกันแต่แท้จริงแล้วพึงเข้าใจว่าเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่พูดกันคนละขณะในกรณีที่ให้บุคคลตัดอดีตอนาคตมากำหนดอยู่ที่ปัจจุบันนั้น้อนี้พึงสังเกตว่าเหมือนบุคคลจะทำงานอะไรก็ตาม เตรียมวัสดุสิ่งของที่เกี่ยวกับการงานนั้ น, น, นแล้วจิตใจก็มุ่งมั่นจดจ่ออยู่ที่การงานนั้นไม่วอกแวกไม่ซัดสายไม่สับสนการงานจึงจะเกิดผลไปได้ดีแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นเราก็มีเรื่องของการศึกษาหลักการวิธีการของท่านในอดตีตซึ่งการเป็นการประรบอดติต และมีเป้าหมายที่ตนจะได้จะมีจะเป็นในอนาคตจึงก็หมายความว่าในช่วงนั้นเองเป็นเรื่องที่อาจจะใช้อดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้แต่เวลาขณะทำให้จิตสงบอยู่ที่ปัจจุบันทุกขั้นตอนของการปฏิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเดินขึ้นมาเรื่อยจนถึงกับสมถะ ภ, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนา ก็คือการทำความสงบไม่มีขึ้นให้เป็นขึ้นให้จิตจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นๆในขณะนั้นๆก็แล้วแต่ว่าจะยกอารมณ์อะไรขึ้นมากาหนดรลึกอาจจะเป็นลมหายใจเข้าออกอาจจะพุทธานุสติธรมานุสติหรือว่าอุปสมานุสติระลึกถึงความสงบเป็ต้นก็ให้จิตใจให้จิตใจจดจ่ออยู่ใน อารมณ์ที่กำหนดระลึกนั้นในกรณีของวิปัสสนากรรมฐานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเกิดูเฉพาะรูปนามที่ตนใช้ระลึกในกรณีนั้นๆก่อนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาถึงความจริงในเรื่องเหล่านั้ น, นจิตใจของบุคคลที่มีกิดเลสกุ้มรุมอยู่เป็นเวลานานอาจจะไม่ยอมรับความจริงเมื่เห็นรูปที่เป็นปัจจุบันว่า เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจิตก็อาจจะวิ่งไปหารูปอดีตเพราะนั้นจึงพิจารณารูปอดีตพอเห็นรูปอดีตตามความเป็นจริงเขาอีกเส้นเดียวกับปัจจุบันจิตก็อาจจะวิ่งไปที่อนาคตก็พิจารณาเห็นรูปอนาคตว่าอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันแต่การที่แยกวิ่งไปพิจารณาทั้ง3การนั้นก็ในกรณีที่เห็นประจักษ์ชัดเสียก่อน ว่าถ้ายังเห็นปัจจุบันไม่ชัดขื้นไปมองอดีตอนาคตก็มีปัญหาในการปฏิบัติดังนั้นในขั้นตอนของการปฏิบัติจะเป็นส่วนของสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามขณะที่กำหนดระลึกกำหนดพิจารณาอยู่นั้นจะต้องอยู่กับปัจจุบันแต่ว่า หลักการวิธีการต่งตางๆนั้นอาจจะประลบอดีตก็ได้ประลบอนาคตก็ได้หรือประลบปัจจุบันก็ได้ข้อนอี้คุณสังเกตว่าแม้แต่ในอริยศาสตร์เองทุกข์สัตย์อาจจะประลบทุกข์ในอดีตก็ได้อาจจะประลบทุกข์ในอนาคตก็ได้เช่นว่าการที่ทรงสอนชั้นศีลธรรมจัญญาให้บุคคลเว้นบาปโดยเน้นไปที่ความทุกข์ซึ่ง บุคคลจะได้รับทั้งในปัจจุบันได้ทั้งในอนาคตในอนาคตก็เน้นไปที่ทุกในอบายเป็นต้นทีจริงความทุกเหล่านั้นยังไม่เกิดเป็นเรื่องของอนาคตแต่มีความเชื่อมโยงอยู่กับปัจจุบันว่าถ้าหากว่าปัจจุบันไปทำอย่างนั้นเข้าต่อไปในอนาคตก็จะบังเกิดในทุกขติวินิบาตอสุรกายเป็นต้นแสดงว่าเรื่องเหล่านั้นก็เป็นการประทบถึงอนาคตเหมือนกันแต่ว่าเวลากระทำเขาให้กระทําที่ปัจจุบัน ตาปัจจุบันดีอนาคตก็ดีแต่บทเรียนนั้นบางครั้งก็อาจจะได้จากอดีตซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราได้มาจากอดีตดังนั้นหลักการในการวินิจฉัยตัดสินเรื่องอารมณ์ทั้ง3การนั้นเราจะมองในแง่ของความคิดแง่ของการพูดหรือแง่ของการกระทำก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอดีตเราก็ไปทำอะไรไม่ได้เันผ่านมันแล้วแต่เราพูดได้เราก็คิดได้ เรื่องอนาคตก็เหมือนการเราทำไม่ได้เพราะเรื่องยังไม่ถึงแต่เราก็คิดได้เราก็พูดได้ปณากฏเกณฑ์ที่ทรงวางไว้นั้นทรงวางไว้อย่างไรคนนี้ทรงแสดงแก่พระจุนทะเทระโดยประรบพระองค์เป็นฐานว่าเรื่องที่เป็นอดีตถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ต, ตถาคตจะไม่พูดเรื่องเหล่านั้น มาความ่าพระองค์จะไม่พูดเรื่องเหล่านั้นพอมาถึงเรื่องอนาคตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ก็จะไม่พูดปัจจุบันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็จะไม่รับสั่งสิ่งนั้นและไม่คิดถึงสิ่งนั้นที่เรื่องในการทั้งสามนั่นเองไม่จริงจริงหรือแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์คือเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์จะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามพระพุทธเจ้าจะไม่พูดเรื่องเหล่านั้นต่อเมื่อใดเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็รู้การที่จะพูดเรื่องเหล่านั้นที่จะคิดถึงเรื่องเหล่านั้น นั้นหลักการสำคัญจึงอยู่ที่ว่าเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องอดีตก็ได้นาะคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้แต่ปัญหาสำคัญที่จะต้องมองก็คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องแท้หรือเป็นธรรมไหมแล้วถ้าคิดจะพูดเรื่องเหล่านั้นจะเกิดประโยชน์ขึ้นไหมถ้าหากว่าประกอบด้วยองค์ประกอบสามประการก็พูดได้แล้วก็คิดถึงได้ ข้อนี้พึงดูตัวอย่างลักษณะคําสอนที่ส่งแสดงเรื่องชาดกทั้งหมดเป็นเรื่องอดีตชาดกแปลว่าเรื่องเกิดขึ้นแล้วหรือเรื่องเคยเกิดมาแล้วแต่ทำไมพระพุทธเจ้านํามาแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลายเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์ตามสมควรแก่กรณีนั้นนั้นทรงจึงส่งแสดงเรื่องดดนั้นเรื่องบางอย่างเป็นเรื่องอนาคต ที่จริงก็ยังไม่ได้เกิดขึ้น oh. เช่นอะไรเช่นนิโรธสัตว์ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่พระองค์ก็ทรงแสดงนิโรธสัตว์ด้วยบุคคลเกิดความกระตือรือร้นที่จะบรรลุผลเป็นความสุขความสงบโดยสายการปฏิบัติมักสัตว์ในปัจจุบันแล้วในอนาคตก็จะสัมผัสผลคือนิโรธสัตว์หรือแม้แต่คุณธรรมเหล่าอื่นเช่นอิทธิบาทสีเป็นต้น จะทรงแสดงว่าเป็นคุณธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จไอ ต, ตัวความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องอนาคตยังไม่เกิดแต่ก็ทรงแสดงเรื่องอนาคต ไ, ไป้ปื่บุคคลมีความกระตือรือร้นที่จะลงมือประกอบเหตุในปัจจุบันหรือการที่ทรงแสดงในลักษณะอานิสงค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอนิสง์คือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาดีทั้งหลาย เช่นอนิสงฆ์กังทานกังศีนเป็นต้นที่มีสองข้อว่าไม่หลงทําการรักกริยาคือข้อสองข้อสุดท้ายที่ว่าไม่หลงทําการรักกริยาทําการรักกริยาไปแล้วจะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์หรือเข้าถึงพรหมโลกที่จริงเป็นเรื่องอนาคตยังไม่เกิดแต่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์ถ้าหากว่าบุคคลได้ประกอบเพศเข้าเขาก็จะรับผลเหล่านนั้นในอนาคต แต่การจะลงมือประพฤติปฏิบัติต้องเป็นเรื่องของปัจจุบันและแม้ในแนวของพวกกรรมฐานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกรรมฐานบางอย่างอยู่กับปัจจุบันทวนๆเป็นการตั้งสติระ ล, ลึกดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นนาฬิกานาสติต้องอยู่กับปัจจุบันเอาแว บ, บไปในอะดีตก็ดีอนาคตก็ดีใจก็จะฟุ้งซ่านแต่บางครั้งก็ต้องย้อนอดีต เช่นสมมติว่าเกิดหายใจไปแล้วลมหายใจเกิดหายไปที่เรียกว่ากายจะสังขารสงบบุคคลก็ต้องนึกถึงปริยัติคือเรื่องที่ตนศึกษาเราเรียนมาในอดีตวันนี้มาเจอเขึ้นอย่างนี้แล้วต่อไปจะทํายังไงก็บทเรียนในอดีตก็จะบอกว่าให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่จุดคึ่งเคยระลึกนั่นเองไม่ต้องคิดพอกแวกสับสนไปในเรื่องอื่นแล้วในที่สุดลมก็จะปรากฏในจุดที่เขาเคยปรากฏนั่นเอง ในกรณีนี้จะเห็นว่าจิตก็วิ่งเข้าย้อนอดีตคือไปประลบถึงเรื่องอดีตเพื่อมาเป็นบทเรียนย้อนระลึกหัวระลึกเพื่อตัดสินปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะของการปฏิบัติและแม้แต่ในกรณีอื่นเช่นสมมติว่าจิตก็เกิดฟุ้งขึ้นมาหรือว่าเกิดท้อถอยหดหู่ไม่พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติ จิตนั้นปรากฏอยู่ในปัจจุบันในขณะนั้นๆพอจิตตกอยู่ในสภาพนี้บุคคลต้องย้อนอดีตพราะถ้าจิตตกอยู่ในสภาพนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่างไรคาสอนนั้นเป็นเรื่องที่เราศึกษาก่อนจะปฏิบัติกรรมฐานก็ยอนมาสอนมาพิจารณาว่าให้ประคองจิตขึ้นปลุกปลอบจิตให้เกิดความกล้าหาญให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าท้อถอยกระตุ้นเร่งรา้าให้เกิด ฉันทาอุตสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินไปในทางที่ชอบที่ควรแต่ในขณะเดียวกันก็มองเห็นเรื่องอนาคตว่าถ้าปล่อยให้จิตถดผูทอดถอยหมดอะไรตายอยากอยู่ในลักษณะ น, นี้ต่อไปก็จะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแล้วผลเหล่านั้นตนเองก็จะต้องได้รับจากนั้นในเรื่องในกรณีนี้จิตจึงวิ่งไปทั้งอนาคตและทั้งทั้งอดีต แต่เป็นเรื่องที่ดีที่จริงที่ประกอบด้วยประโยชน์เราก็ย้อนกลับไปได้ในโครงสร้างของกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นส่วนสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามดูเฉพาะส่วนของสมถกรรมฐานอย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคือตั้งการตั้งสติเราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีประธรรมก็ดีพระสงค์ก็ดีดถึงศีลของตนก็ดีถึงจาระการบริจาค ก, ก็ดีที่เรียกวิจารคานุสติ แม้แต่เทวตานัสติในการราลึกถึงเทวดาเป็นการราลึกถึงเรื่องอดีตคุณของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกอดีตคุณของพระธรรมก็ปรากฏในอนดีตคุณของพระสงฆ์ก็ปรากฏในอนดีตและเราลึกมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะการรักษาศีลก็รลึกถึงคุณศีลที่ตนรักษาก็คือรักษาที่ผ่านมาแล้วเราลึกถึงจาระฆาการเสียสละของ ต, งตนก็คือราลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว แต่ว่าการอัลึกเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีเป็นไปเพื่อความสงบระนับดับเพลิงกิเลสด้เพลิงทุกในระดับนั้นๆยุติ้วยหลักที่ทรงแสดงว่า <literal experiment> เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้แต่ประกอบด้วยประโยชน์คิดได้พูดได้แต่ถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่พูดไม่คิดมรณสติการอลึกถึงความตาย เป็นการประรบอนาคตในขณะนั้นเรายังไม่ตายแต่แม้แต่ในพินหะปั จ, จเจกขณะก็เป็นเรื่องประรบอนาคตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แสดงว่าความแก่ที่แท้จริงนั้นในแม้ในปัจจุบันเราแก่จริงแต่เป็นการประรบถึงอนาคตเพราะในอนาคตก็จะแก่มากกว่านั้นความเจ็บในขณะนั้นยังไม่เกิด ก็ประรบถึงอนาคตว่าจะต้องเกิดขึ้นความตายก็ยังไม่เกิดการพลัดพรากก็ยังไม่เกิดเป็นเรื่องของอนาคตเตรียมกายเตรียมใจให้ยอมรับความจริงในอนาคตแต่การระลึกถึงเรื่องอนาคตนั้นเป็นยังไงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์เป็นเรื่องที่ประตาถาคตคือพระพุทธเจ้าทรงคิดและทรงรับสั่งถึงพอมาถึงอนาคปานาติก็เป็นเรื่องปัจจุบัน อุปสมานุสติการระลึกถึงพระนิพพานเจนว่าเป็นการระลึกถึงทั้งอดีตแต่ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตอดีตนั้นเป็นการระลึกเพื่อให้เกิดความชื่นชมเกิดความกระตือรือร้นที่จะมีที่จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าพระรีเจ้าทั้งหลายท่านมีท่านเป็นประรบในปัจจุบัน คื่ตรวจสอบดูสภาพติดของตนที่ถูกกลุ่มรวมหรือไม่ไกิเลสมากหรือน้อยเพื่อต้องการผลที่จะมีที่จะเป็นในอนาคตดังนั้นแสดงให้เห็นว่าปัญหาของเรื่องความคิดหรือการพูดนั้นในเชิงของการปฏิบัติเฉพาะในขณะนั้นนั้นก็อยู่กับปัจจุบันแต่ในเรื่องของการน้อมนึก เพื่อเกิดความสงบก็ดีเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงก็ดีนั่นก่อนจากการกระทำความเพียรก็อาจจะประรบอดีตก็ได้อนาคตก็ได้และในขณะที่ทำความเพียรอยู่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็อาจจะย้อนไปสู่อดีตเพื่อศึกษ า, าหลักการวิธีการาต่างๆที่ได้เคยเล่าเรียนมาศึกษ า, ามาอ่านพบมาเพื่อวินิจฉัยตัดสินในปัจจุบัน แต่เมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็ จ, จะใช้ได้ทั้งสามประการกอนี้เป็นสังเกตในชั้นของสมรรถกะด็ดีของวิปัสสนาะก็ดีเพราะบางครั้งที่เกิดความสงบขึ้นในปัจจุบันบุคคลก็อาจจะอาศัยเรื่องราวต่างๆในอดีตที่เคยศึกษาเราเรียนมาเราวิเคราะห์ตรวจสอบดูจิตของตนเองไปเทียบเคียงกับจิต ของท่านที่ผ่านมาแล้วในอดีตที่ท่านบอกไว้แสดงเอาไว้โดยหลักของปริยัติคือที่ได้ศึกษาเราเรียนมาแต่ว่าลงการสมกันกับที่ท่านแสดงไว้ก็ถือว่าการเดินทางของจิตในกรณีนั้นๆในขณะนั้นๆก็เดินทางมาถูกต้องเพราะธรรมปฏิบัติที่ทรงแสดงนั้นที่จริงแสดงมาจากผลของการปฏิบัติที่ปรองสัมผัสม า, มาด้วยปรองเอง พระได้เาทั้งหลายเวลาท่านปฏิบัติท่านก็สอบทานเทียบเคียงกับหลักที่ได้ศึกษาเราเรียนมาเพราะบางครั้งมันอาจจะเชออกไปข้างนอกทางที่ทรงแสดงเอาไว้โดยเฉพาะในการปฏิบัติระดับการเจริญวิปัสสนาก็ดีหรือสมถะก็ดีนั้นอาจจะแว บ, บออกไปนอกทางได้หรืออาจจะหยุดข้างทางได้ก็ได้แตในการปฏิบัติระดับวิปัสสนากรรมาฐานมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือกังขา ความเครือบแคงความสงสัยเป็นทางหรือไม่ใช่ทางอันนี้ถูกหรือไม่ถูกจะไปทางไหนจึงจะแน่ท่านจึงสอนให้พิจารณาถึงความจริงจนสามารถข้ามพ้นความเครือบแคลงสงสัยไปได้แต่แม้ในทางสมถะเองมันก็มีวิจิตรชาคือความเครือบแคลงสงสัยอยู่<อ>ในกรณีประสบความเครือบแคลงสงสัยนั้นก็ต้องโยนในสมณติการเรื่องอดีตบ้างเรื่องปัจจุบันบ้าง อาจจะมองไปถึงผลในอนาคตบ้างแต่ประการที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่การใช้ให้เหมาะวรแก่กรณีนั้นๆพูดง่ายๆว่าก็คือใช้ธรรมะเป็นถูกต้องตามขณะตามอารมณ์ตามสมควรแก่กรณีไม่เกิดความสับสนผิดพลาดขึ้นมาเรื่องของธรรมะนั้นทรงแสดงจาแนกเอาไว้โดยปริยายเป็ น, นันมาก แต่ปัญหาเรื่องของการใช้จําเป็นจะต้องสอดส่องจําเป็นจะต้องพินิษพิจารณาก็นี่แม้ในกรณีอื่นๆในระยะนี้เราก็มีการพูดถึงทศพิธราชธรรมกันมากในเชิงของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ว่าธรรมะเหล่านั้นด้วนแล้วแต่เป็นกุศลละธรรมแต่ในการปฏิบัติดันท่านจะคุมไว้ด้วยข้อสุดท้ายคืออวิโรธนะ ในแก่การปฏิบัติต้องไม่ผิดแม้อะไรแม้แต่ทานซึ่งเป็นกุศลธรรมโดยสภาพแต่ถ้าผู้ให้ทานขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาก็า จ, จะเป็นการให้ในทางที่ผิดก็ได้เป็นการสงเคราะห์คนที่ไม่ควรสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์เกินกำลังของตนที่จะสงเคราะห์แราะในจุดนี้พรจะพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่า การพิจารณาใครครวรเสียก่อนแล้วจึงให้เป็นการกระทําที่ประธานาธิบดสรรเสริญยกจ้องประมาถึงศีลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่จริงศีลนั้นเป็นกุศลธรรมแต่าการจะรักษาศีลบุคคลจะต้องรู้ว่าศีลคืออะไรศีลแล้วรักษาศีลอย่างไรจึงจะชื่อว่าถูกต้องสมบูรณ์และศีลที่รักษาไว้ถูกต้องสมบูรณ์นั้นจะมีผลเมียในสองฆ์อย่างไร บางครั้งอาจจะเป็นการรักษาในลักษณะที่งมงายเพราะขาดปัญญาเป็นเครื่องส่องเป็นเครื่องพิณิพิจนาอย่างที่โบราณท่านเตือนเรื่องเถนสองบาทเทนสองบาทนั้นเป็นการแสดงให้เห็นึว่าแม้ในการปฏิบัติกุศลและธรรมคือศีลแต่ถ้าขาดปัญญาเป็นเครื่องสอดส่อ ง, องเป็นเครื่องปิณิพิจนาแล้วก็อาจจะผิดพลาดได้จะกลายเป็นการกระทําที่งมงายกระทําไปด้วยความเขา่า การที่จะกระทำไปด้วยปัญญาเรื่องธรรมะปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะในกรณีนี้ควรจะใช้ธรรมะอะไรใช้อย่างไรจะใช้เรื่องอดีตหรือเรื่องปัจจุบันหรือเรื่องอนาคตแต่ถ้าใจเข้าขั้นมาตรฐานหมายความว่าผ่านมาระดับเป็นวิปัสสนาปัญญาที่ทรงใช้คาว่าสัมมัปัญญา คือปัญญาเห็นชอบตามความจริงแห่งปฐา ร, รักณ์แล้วตอนนี้จะปราราอะไรก็ได้และจะมองเป็นเอกภาพคือความเป็นหนึ่งเดียวได้แก่มีสถานะอย่างเดียวกันที่ท่านใช้คำว่าสามัญลักษณ์ในลักษณะที่เหมือนกันในสัตว์และสังขารทั้งหลายว่าจะมีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองอย่างที่ทรงสอนไว้ในพระสูตรต่ตางๆเป็นนั้นมาก ถึงผลจากการพิจารณาที่ปัจจุบันโดยสายบทเรียนในอดีตและเรียนรู้ปัจจุบันเรียนรู้อดีตเรียนรู้อนาคตกำหนดเห็นสภาพอย่างเดียวกันของสัตว์และสังขารทั้งหลายเพระดูก่อนพิกษจน์ทั้งหลายขันทั้งห้าคือโดยใจความกร น, นีเพึ่งเข้าใจว่าโดยใจความแล้วโดยโดยเนื้อหาของสิ่งทั้งหลายในโลกแล้ว มันจะสรุปรวมอยู่ที่ขันท่าแม้อริยสัจสี่เองก็คือเรื่องของขันท่าพระอริยสัจนั้นในตัวทุกขสัจก็เป็นเรื่องของรู ป, ปรขันเวทนาขันเรื่องสมุทัยสัจนิโรธสัจมรรสสัจก็เป็นเรื่องของสังขารขันเพราะรูปเวทนาสัญญาวิญญาณก็เป็นพวกของ ทุกษะแต่สังขารนั้นก็เป็นหมดหรือแม้แต่สติปัฏฐานสี่มันก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นพอพูดถึงระดับวิปัสสนาก็ตีแคบเข้ามาพูดว่ารูปนามหรือนามรูปนามรูปก็คือเรื่องของขันธ์ห้าแต่การมองนามรูปหรือบางครั้งอาจจะกระจายเป็นขันธ์ห้าหรือกระจายมากกว่านั้นก็ตามก็แล้วแต่พื้นฐานของผูกฟังแต่เมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้ว จนเกิดปัญญาระดับที่เรียกว่าสามารถปัญญาได้จิตก็จะไม่เกี่ยวเกาะในขันทั้งหลายที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะอะไเพราะมองเห็นว่าคันที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประนีตก็ดีอยู่ใกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีไปขันทั้งห้านั้นก็คือขันห้าคันห้าในอดีตก็คือขันห้าที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณ คณะในปัจจุบันจะเร็วจะประณีตจะหยาบจะละเอียดมันก็คือกองแห่งดินน้ำลมไฟอากาศวินจานหรือกองแห่งรูปกองแห่งเวทนากองแห่งสัญญากองแห่งสังขารกองแห่งวิญจาณแล้วแต่จะมองและแต่จะเรียกพวกนี้เป็นเรื่องมาสำนวนโบหานที่ใช้เรียกบางครั้งก็เรียกรวบบางครั้งก็เรียกแยกทำไมจึงรวมทำไมจึงแยกเพราะว่าใจคนไปกำหนดอารมณ์นั้นบางทีกำหนดรวมบางทีกำหนดแยก ได้สอดคล้องกับพื้นใจของเขาผู้ที่กําหนดแยกก็ดูในส่วนแยกกําหนดรวมก็ดูในส่วนรวมแต่พอปัญญาเกิดขึ้นเต็มที่แล้วทั้งแยกทั้งรวมก็จะเป็นเอกภาพอย่างเดียวกันคือตกอยู่ในสามั ญ, ญลักษณ์ดังกล่าวลักษณะที่เสมอกันในสัตว์และทังขานทั้งหลายแล้วก็ทรงแสดงว่าข้อนี้สิ่งทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเรา คนเรียนเธอทั้งหลายพึงเรีนด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการบุคคลจะต้องเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นปัจจัยของกันและกันและสนับสนุนกันจะไม่มีความขัดแย้งกันไม่ว่าในการ ใ, ใดก็ตามปัญหาสําคัญในการพิจารณาคือต้องดูว่านี่พูดกันในกรณีอะไรถ้าพูดกันในกรณีที่จะให้เกิดความสงบเกิดความรู้ยิ่งในขณะทํางานก็ต้องอยู่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้น แต่การศึกษาข้อมูลการพิจารณาเทียบเคียงการหาหลักหาเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอาจจะประรบเรื่องอดีตก็ได้ประรบเรื่องปัจจุบันก็ได้ประรบเรื่องอนาคตก็ได้แต่ก็สําคัญในเรื่องที่นํามาประรบนั้นก็ต้องยึดหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่ต้องไปพูดไปคิดถ้าเรื่องจริงเรื่อง เรื่องจริงเรื่องแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พึงสังเกตว่าจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่พูดไม่คิดเรื่องเหล่านะั้นต้องเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์สามอย่างจึงพูดจึงคิดจึงพินิจพิจารณาเรื่องเหล่านั้นแต่เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ทื่ว่าได้ดำเนินตามหลักการ ในการปฏิบัติธรรมที่สำคัญซึ่งพระเจ้าทรงเน้นเอาไว้มากเป็นพิเศษในกรณีต่างๆว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมนั้นกับธรรมในตัวหลังธรรมะเช่นสมมติว่าขันติเนี่ยจะใช้ในกับธรรมอะไรกับเหตุการณ์กับบุคคลอะไร ราญธมะในตัวหลังอาจจะหมายถึงการละเทศะบุคคลกรณีอารมณ์อะไรต่างๆว่าให้เหมาะให้ควรแก่กรณีนั้นๆไม่ใช้ขันติอยู่เรื่อยบางครั้งก็ไม่ต้องใช้เป็นเรื่องถึงคราวจะอบรมสั่งสอนก็ต้องอบรมสั่งสอนต้องชี้แจงแนะนำแต่ประการสำคัญว่าอย่าไปทำอะไรไปด้วยความโกรธก็แล้วกันการปฏิบัติธรรมเรียกว่าอนุธรรมจารีหรือธรรมะธรรมานุธรรมะปฏิปันโน เป็นการปฏิบัติธรรมสงควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบุคคลจะสามารถหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องปัจจุบันก็ตามตา ม, ตามสงควรแก่กำลังความสามารถแห่งตนต่อจต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป